ถึงจะตัวเล็กแต่ใจใหญ่บางเนื้อหาของวิดีโอนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า13ปีกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งอาศัยอยู่กับพระราชโอรสและพระราชธิดา8พระองค์เจ้าชายรูปงามสี่พระองค์แล้วเจ้าหญิงแสนสวยอีก10พระองค์พระราชาภูมิใจในธายาธเป็นอย่างมากแต่ก็ทรงต้องการให้แต่ละพระองค์เป็นฝังเป็นฝาเสียทีอืมข้าจะทําให้เราเจ้าชายเจ้าหญิงมีคู่ได้อย่างไงเนาะพระองค์ครุ่นคิดอยู่สักพักและส่งมองมาที่พระหัตต์โอ้ น, นี่มันอะไรกันเนี่ยไม่เสด็จพ่อเกิดอะไรขึ้นพคะโอ้ลูกรักลูกรักของพ่อพ่อจะทำยังไงดีเจ้าหญิงทรงเกิดอาการตื่นตระหนกเอามานี่มาไปกันเถอะพ่อมีอะไรจะบอกพวกเจ้าลูกรักรูกเหมือนว่าพ่อจะมีอาการป่วยหนักอะไรนะโอ้ไม่นะอะแล้วขึ้นหมอ คือว่าพ่อตัดสินใจแล้วว่าอยากให้พวกเจ้าเข้าพิธีเสกสมรสพ่อเป็นห่วงอนาคตของพวกลกูกพ่อไม่อยากให้พวกลูกแบบว่าโดดเดียวเดียวได้ <S <S เจ้าชายและเจ้าหญิงส่งมองหน้ากันอย่างตกใจเหล่าพระองค์ไม่ต้องประสงค์ที่จะเสกสมรสและพี่น้องคนสุดทอกอย่างจูเลียและโรเบิร์ตเองก็ส่งไม่ปลื้มปิตินักกับข่าวที่ทรงได้ยินอ ท่านพ่อสรงรค์อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่แล้วเราจะทำยังไงกันดีละ่ะวันรุ่งขึ้นพระราชาทรงจัดแจงหนุ่มสาวจากทั่วราชอาณาจักรเพื่อพระราชบุตรและพระราชธิดาของพระองค์เสด็จพ่อไปคะลูกไม่อยากเข้าพิธีเลยนะ่โอ้โลูกรักพ่อคงจะไม่อายุยืนยาวมากขนาดนั้นลูกต้องทำในสิ่งที่พ่อบอกเมื่อเป็นแบบนี้ เจ้าชายและเจ้าหญิงจึงทรงยอมรับต่อโชคชะตาในที่สุดพระราชาเสด็จไปหาจูเลียและโรเบิร์ตก่อนที่พระราชาจะตรัสจูเลียจึงเริ่มตรัสก่อนท่านพ่อเพคะโรเบิร์ตกับลูกไม่ประสงค์ที่จะเสกสมรสกับใครเราอยากเลือกคู่ด้วยตัวของเราเองค่ะแต่ว่าลูกรักลูกทั้งสองยังเด็กอยู่เลยอย่าวงไปเลยนะพ่อเนี่ยรู้ดีที่สุดนั่นแหละก็จริงแต่ว่า เรายังต้องออกไปข้างนอกไปเห็นโลกในสิ่งที่เราทําด้วยตัวเองไม่ได้หมายถึงชีวิตที่เป็นของเราเองใช่เพคะแล้วเราก็ควรจะรู้ว่าเราอยากจะใช้มันกับใครลูกขอประทานอภัยเพคะท่านพ่อแต่ว่าเราจะไปหาคู่ด้วยตัวของพวกเราเองอืลูกไม่สนพ่อแล้วใช่ไหมโอ้พ่อรู้สึกว่าอาการป่วยย่าแย่กว่าเดิมอีกเอวไม่คิดว่าแบบนี้จะได้ผ่อนนะคะ โอ้ท่านพ่อไม่ไม่เป็นไรเลยทำตามที่ลูกต้องการแต่อยากลับมาร่ำให้ตอนตอนที่ชีวิตมันอยากลาบากก็แล้วกันเออเสด็จพ่อตังหากเพคะที่ส่งพระกันแสงนะ่ะแล้วพระองค์ทั้งสองก็เสด็จออกจากพระราชวังไปถึงให้พระราชาทรงเป็นกังวลโอ้ลูกข้าผู้น่าสงสารพวกเขาจะเป็นยังไง คาหวังว่าจะยังมีชีวิตอยู่ตอนพวกเขาหวนกลับมาไม่นานนะพระองค์ทั้งสองก็เสด็จไปถึงอาณาจักรใหม่และทรงพยายามหางานทำแต่มันก็ไม่สําเร็จหลังจากที่ทรงเร่ร่อนและทรงพยายามอยู่หลายครั้งพระองค์ทั้งสองเสด็จไปยังโรงแรมขอเธอนะคะฉันเป็นหมอพระเจจนจรคุณพอมีงานให้เราทำไหมคะทำไมฉันต้องการหมอละ่ะไปให้พ้นเลยนะเราไม่ต้องการคุณได้โปรดละฉันไม่ได้เป็นแค่หมอธรรมดานะคะ ฉันทําอย่างอื่นด้วยเอ่ยังเอ่อฮึมถ้าทําอาหารเป็นเหรฉันอยากได้คนครัวที่นี่นะทําอาหารได้สิคะฉันทําได้ฉันทําอาหารเป็นทำครัวศาสตร์เป็นด้วยนะว่ามาเลยงั้นเธอก็ทํางานได้นะเอ่อแล้วน้องชายฉล่ะถ้าเขาไม่ได้ทํางานที่นี่ฉันก็เขาไม่ทําที่นี่เหมือนกันน่ะโอ้ได้สิฉันจะลองหาอะไรให้เขาทําดูจูเลียทํางานอย่างขยันขันแข็งคนดูแลโรงแรมก็เห็นว่าโรเบิร์ตเองก็เก่งเช่นกันเธอจึงมอบตําแหน่งผู้จัดการให้กับโรเบิร์ต วันหนึ่งพระองค์ทั้งคู่ทรงได้ยินบทสนทนาเรื่องเจ้าชายแอนดรูที่ทรงพระประชวรรื้อรางมานานพระองค์มีตุ่มแปลกๆพุขึ้นที่ร่างกายไม่มีใครรักษาพระองค์ได้เลยจูเลียทรงได้ยินเข้าจึงไปตรัดกับโรเบิร์ตโรเบิร์ตฟังนะพี่เคยเรียนเรื่องใบเสดานินาะน่าจะพอเป็นประโยชน์กับการประชวรของเจ้าชายนะยี่มไปเลยงั้นไปกันเถอะไปหาใบไม้กันวันนี้เลยฉันพอรู้ว่าเก็บมาได้ที่ไหน พวกเขาไปยังต้นไม้ดึงบางส่วนของใบออกมาพระองค์นำมันกลับบ้านจูเลียทรงบทและส่งต้มใบไม้ในน้ำเราต้องนำมันไปให้เจ้าชายว่าแต่จะยังไงดีล่ะฉันจะนำมันไปเองฉันจะปลอมตัวเป็นคนส่งของไม่มีใครจับฉันได้หรอกนะวันถัดไปจูเลียจึงเสด็จไปยังวางของเจ้าชายโดยการนำน้ำสเสดาไปด้วยพระองค์ตัดแก่เจ้าชายแอนดรูวเรื่องน้ำทั้งหมดและมันทําให้เจ้าชายหายจากการประชวนได้อย่างไร เจ้าคิดว่าแบบนั้นจะได้ผลเหรอมีผู้คนพยายามมาก่อนตั้งมากมายแต่ว่ามันก็ล้มเหลวคือหม่อมฉันก็ไม่แน่ใจแต่มันมีใบไม้ใดนั้นซึ่งกระหม่อมมั่นใจว่ามันพิเศษอ๋อเจ๋งไปเลยแต่ถ้ามันไม่ได้ความเจ้าต้องถูกลงโทษนะในวันนั้นเองแอนดรู ก็ส่งหยดน้ำทีละนิดลงบนพระกรเมื่อเวลาผ่านไปพระองค์ทรงสังเกตว่าตุ่มน้ำกลับลดลงบ้างก็หายวับไปกับตาว้าวมันได้ผลจริงๆด้วยข้าต้องขอมันเพิ่มแล้วละ่ะวันเวลาผ่านไปจูเลียเสด็จไปหาเจ้าชายพร้อมกับส่งนาน้ำไปให้พระองค์เสมอจนในที่สุดแอนดรูว์ทรงหายจากการประชดเจ้าทาได้ ยาของเจ้าเจ๋งไปเลยเหล่าเช้ไปเลยพระบาทกระบำดิชา ย, ยิงนักนะ่ยแอนดรูถึงกับทรงตกตะลึงเจ้าเจ้าเสียงเหมือนผู้หญิงเลยเจ้าคือใครจูเลียทรงถูกจับได้และพระองค์ก็ทราบดีพระองค์จึงทรงเผยตัวตนและเจ้าชายก็ทรงตกตะลึงงานเมื่อได้เห็นว่าหมอผู้นั้นคือผู้หญิง จูเลียเล่าให้เจ้าชายฟังทุกอย่างถึงเรื่องราวของพระองค์เองและโรเบิร์ตข้ามาที่นี่เพื่อตามหาคนที่ข้าจะตกหลุมรักด้วยงั้นเหรอมันพอจะมีทางที่เจ้าจะรักข้าได้ไหมเจ้าช่างฉานสลาดแถมยังมีจิตใจที่งดงามด้วยและความจริงก็คือจูเลียทรงตกหลุมรักแอนดรมานานแล้วพระองค์จึงทรงรับในคาขอและไม่นานพระองค์ทั้งคู่ก็เสกสมรสกัน โรเบิร์ตข้ามีความสุขยิ่งนะักข้าเองก็ยินดีกับเจ้าจูเลียข้าหวังว่าเจ้าจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขรุ่งขึ้นโรเบิร์ตจึงทูลลาพระพักตร์นี้และส่งตามหาเจ้าหญิงของพระองค์เองพระองค์เสด็จไปยังดินแดนที่ห่างไกลและไม่นานนักก็ไปถึงอาณาจักรใหม่ในขณะที่พระองค์ทรงครุ่นคิดว่าจะทําอย่างไรพระองค์ได้ยินชายคนหนึ่งพูดกับเพื่อนอย่างเศร้าส้อยข้ามั่นใจมากในคําตอบของข้า เดา ว, ว่างานอันดุเรกของเจ้าหญิงอย่างที่สามต้องหินมากแนะ่ข้าเสียโอกาสเข้าพิธีกับพระนางแง้เลยโอ้ฟังดูน่าสนใจดีนี่ลองหน่อยก็แล้วกันโรเบิร์ตจึงทรงปลอมตัวเป็นคนรับใช้และทรงแอบสเสด็จเข้าไปในพระราชวังพระองค์ทรงสังเกตเห็นเจ้าหญิงมิเชลขณะที่เจ้าหญิงกําลังทรงพระกิจวัตรประจําวันเจ้าหญิงทรงส ง, ง่างามยิ่งนัก พระองค์ทรงโปรดการวาดภาพนี่นะไม่นานนักเจ้าหญิงก็ทรงจับได้ว่าพระองค์ถูกจ้องมองอืมเจ้าหญิงทรงไปไหนแล้วแแอ็โอโ อ, โ อ, โอเอเ อ, เ อ, เอสวัสดีทำไมเจ้าถึงตามข้า ย, ยุนได้นะโอโ อ, โอก็เพราะกระหม่อมชอบภาพวาดของพระองค์มากเลยพระยาค่าคำพูดนั้น ทำให้เจ้าหญิงมิเชลทรงยินดีปรีดาไม่นานพระองค์ก็เริ่มตัดและนําภาพวาดทั้งหมดออกมาให้ดูข้ารู้อย่างหนึ่งแล้วเหลืออีกโรเสองสนะเสด็จตามเจ้าหญิงมิเชลไปอย่างใกล้ชิดอยู่มาวันหนึ่งเมื่อห้องเครื่องว่างเปล่าโรเบิร์ตทรงพบว่าเจ้าหญิงกําลังอบเค้กอยู่ลับๆไงเจ้าหญิงทรงทําอะไรที่นี่พะยะคา่ะเออเจ้ามาทําอะไรที่นี่อีกเนี่ยเออคือกระหม่อมเป็นคนรับใช้ไงพะยะคา่ะ และฟาบาดก็สรงอบเค้กใช่ใช่แล้วฉันนะ่ะชอบอบเค้กนั่นก็ตลกดีแฮะหลังพูดอีกทีหลังจากที่เจ้าได้ลองทานเค้กผลไม้ชิ้นนี้สั ก, ก่อนสิโรเบิร์ตสวยเค้กผลไม้ชิ้นนั้นทันใดนั้นพระองค์ก็โปรดมันอย่างมากไม่ตลกแล้วใช่เมล่ะอืม อ, ม อ, มอมืเค้กนี่อร่อยมากเลยเจ้าหญิงมิเชลย้ำพระสวนไม่ได้ยินจากโรเบิร์ต พระองค์ทรงปิติยินดีเมื่อทรงค้นพบงานอดิเรกใหม่ไม่กี่วันจากนั้นขณะที่โราเปิดประทับอยู่ในสวนมิเชลเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจจังข้าก็อยากรู้ว่างานอดิเรกสุดท้ายของพระองค์คืออะไรกันนะทันใดนั้นเองพระองค์ก็ทรงได้ยินเสียงประหลาดและทรงเห็นร่างที่มีเสื้อคลุมหลบหนีออกมาเมื่อพระองค์ทรงมองไปที่นั่นก็ทรงเห็นเจ้าหญิงมิเชลนั่นเจ้าหญิงนี่จะเสด็จไปไหนกันนะ พระองค์ส่งตามเธอไปเมื่อเธอเสด็จไปยังหมู่บ้านและถนนที่เต็มไปด้วยฝูงชนโอเ อ, อเจ้าหญิงไปไหนกันนะไม่นานทั้งคู่ก็เข้าไปในซอยที่ทั้งมืดและแคบเจ้าชายทรงซ่อนตัวอยู่นี่ค่ะคุณผู้หญิงสุบสักถ้วยจะช่วยคุณได้นะคะโอ้ขอบใจแต่ที่รักพี่เอาอะไรมาให้ผมฮะสำหรับเธอพี่มีนี่ให้จ้าเสื้อโค้ใส่แล้วก็อุ่นยังไงล่ะโรเบิ พอพระเนธเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความชื่นชมในตัวเจ้าหญิงเจ้าหญิงเสด็จไปตามที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนข้นแค้นหลังจากที่โรเบิร์ตทรงรู้ความจรงิงเกี่ยวกับงานอันดิเรกของเจ้าหญิงไม่นานนะักพระองค์ก็เสด็จกลับไปยังอาณาจักรของเจ้าชายแอนดรูว์พระองค์ทรงยืมฉลองพระองค์ของเจ้าชายแอนดรูว์และทรงขอประทานของขวัญเพื่อไปขอเจ้าหญิงเสกสมรส ได้สิเอาอะไรไปก็ได้ตามที่ต้องการไม่นานนักเจ้าชายโรเบิร์ตก็เสด็จกลับไปยังอณาจักรของเจ้าหญิงมิเชลพร้อมกับความสง่างามเมื่อพระองค์ทรงพบเจ้าหญิงมิเชลเจ้าหญิงมิเชลทรงจําพระองค์ไม่ได้ข้ามาที่นี่เพื่อจะลองตอบคําถามในงานอดุิเรกของพระองค์ฮะขอให้โชคดีนะเจ้าชายโรเบิร์ตเพียงแค่แย้ำพระสูนและส่งตอบคําถามนั้นอย่างแรกที่พระองค์ทรงหลงไหลก็คือการวาดภาพ นั่นก็ถูกอ่ะแต่มันเป็นงานอดิเรกทั่วไปนี่นาลองอย่างถัดไปสิใช่การอบขนมหรือเปล่าพะยคะในห้องเครื่องเมื่อไม่มีใครอยู่ในนั้นอออะคืออะคือว่ า, าก็ใช่อยู่นะแต่เธอตอบอย่างสุดท้ายไม่ได้แนะ่จริงเหรอพะยคะมันคืออะไรกันนะใช่ตอนที่พระองค์ทรงแอบออกไปตามท้องถนนหนทาง และช่วยเหลือผู้ยากไร้ของอาณาจักรหรือเปล่าเจ้าหญิงถึงกับทรงตะลึงงานกับคําตอบที่ถูกทุกข้องั้นข้าจะขอเสกสมรสกับพระองค์ได้หรือยังข้ามั่นหมายว่าจะได้ครองรักกับพระองค์ผู้ที่มีจิตใจงดงามและละมุนละมยัยดังเ ค, ค้กที่พระองค์ทรงอบเจ้าหญิงทรงจําได้ทันทีว่าโรเบิร์ตคือใครพระองค์ทรงคาดไม่ถึงกับการที่เจ้าชายทรงแซงเป็นแถมเจ้าหญิงก็ทรงพระสมบนัดเมื่อทรงรู้ว่าเจ้าชายเป็นคนฉลาดตลก แถมเอาใจใส่เช่นเดียวกันร่วงขึ้นพระองค์ทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงมิเชลหลังจากพระรา ช, ชพธิธีเจ้าชายโรเบิร์ตและเจ้าหญิงจูเลียก็เสด็จไปหาพระราชาพร้อมกับคู่ครองของตนพระราชาถึงกับทรงประหลาดใจและทรงพระโสมนัสเช่นเดียวกันที่ทายาทของพระองค์ทรงเส็จสมรสกับคนดีดีท่านพ่อท่านดูดีขึ้นมากเลย พระราชาทรงอธิบายถึงอาการประชวนว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้หนักหนาอะไรและแพทย์ผู้ดูแลก็รักษาพระองค์จนหายดีโอ้พ่อก็แค่เล่นใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าพ่อก็ดีใจนะที่ลูกกลับมาและมีความสุขลูกสองคนเล็กของพ่อพ่อภูมิใจในตัวลูกลูกจริงๆที่ลูกพบกับคนรักไหนที่สุด อมองลงไปเลยราชนีเล่นใหญ่หมายถึงราชาหรือเปล่าและพระราชาออตโต้ก็ทรงตระหนักได้ว่า <c oughs> การกดดันลูกๆด้วยความเห็นของพระองค์เองนั้น <c oughs> เป็นสิ่งที่ผิด <c oughs> คนเราต้องอนุญาตให้ลูกมีอิสระในการเลือกโชคชะตาของตนเองไม่ใช่การบังคับ <c oughs> ในสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่ต้องการเสมอไป